บทที่38บนสันเขาเตี้ยๆที่คณะติดตามบุกบันกันขึ้นมาปัดนี้ฟ้าเริ่มสางพอจะสังเกตเห็นลายมือได้แล้วเมื่ออะไรต่ออะไรสว่างชัดพอจะมองเห็นสิ่งรอบตัวได้พรานทั้งสี่ของรพินก็กระจายกันออกตรวจหาร่องรอยท่านทีโดยไม่จำเป็นจะต้องคอยประกบตัวคุมหลังให้ความปลอดภัยแก่ในจ้างทั้งหคนอีกแล้วบุญคาจันเกิดและเสยรุษสาวรอยโดยแยกกันออกไปคนละทาง เมอถึงบริเวณสูงสุดของเนินเขาลูกนั้นแต่รัศมียังพอมองเห็นคริสและเชิดวุดเลือกตามหลังไปทางด้านบุญคําคีตคู่ไปกับจันทรแซนลี่คู่กับเสยและอิสซาเบลติดตลังเกิดขณะนั้นมันก็เป็นเวลาเจ็ดจุดศูนยูย์นาพอดีทางด้านกลุ่มของบุญคํำจะพานเท่ากําลังก้มลงพิจารณาบริเวณกิ่งไม้แห้งผุบริเวณหนึ่งลักษณะดูประหลาดออกไปจากพื้นหินปนดินลูกกรังธรรมดาเชิดวุดก็ ก็เลิกก็ล่เดินล้ำหน้าแกออกไปก้าวหนึ่งและทันใดก็เหยียบพั่วทําท่าจะขมำหลุดลงไปร้องเสียงหลงด้วยความตกใจบุญคำวัยตามสัญชาตญาณดั่งเดิมของแกคว้าเข็มขัดด้านหลังไว้ได้ก่อนที่นายทหารหนุ่มจะล่วงลงไปในโพรงข้างล่างทั้งตัวแต่ร่างกายของแกผอมบางน้ำหนักน้อยกว่าเชิดบุญจึงทําท่าจะดึงหลุดลงไปด้วยกันทักขยเยิกันอยู่คริสติน่าแม่นักเคมีฟิสิกส์แต่ความจริงก็คือคอมมานโดที่ผ่านงานมานักต่อ น, นักแล้วโจนพรวดเดียวถึงตัวบคุคคลทั้งสองที่กาลังส่งเสียงเออะโวยวาย กระชากไหลเชิดวุดพงษงาหลุดพ้นหลุดออกมาได้พงงาหลุดพ้นลุมออกมาได้บุญคําก็เลยพลอยพ้นออกมาด้วยทั้งสองล้มกลิ้งลงด้วยกันเฮ้ยอะไรกันอย่างคีลัสแชนดี้จึงเดินตรวจไปคนละด้านล้องตะโกนถามว่ายังตกใจไม่ได้ยินเสียงโมยวายของคนกลุ่มนี้ลิซนั้นไม่พูดอะไรอีกทั้งสิ้นยังต่โบกมือเป็นสัญญาณเรียกทุกคนทันทีจนเชิดวุฒอุทานออกมาลั่นเฮ้ยโลงอะไรต่อหลุมหรือเปล่ปาบุญคําไม่พูดอะไรเช่นกันแกคารันเข้าไปที่นั่นอย่างรวดเร็วทำหน้าพิศวง์ และจัดการรื้อกิ่งไม้แห้งๆที่สุ่มอยู่เหมือนใครเอาอะไรมาโปะไว้ออกเชิดวุฒกับคริสก็ช่วยกันอีกสองแรงซึ่งเป็นเวลาที่ทุกคนแยกย้ายกันออกไปพรูกันเข้ามามุงรวมกลุ่มส่งเสียงถามแซดพอดึงกิ่งไม้แห้งที่ปกคลุมบริเวณนั้นออกหมดทุกคนก็อุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันเทลแล้วก็ตกตะลึงกันไปกึ่งอึดใจบริเวณปากเขานั้นกว้างประมาณแค่สามตารางเมตรลักษณะจะเป็นโพรงหรือรูลงไปใต้พื้นดินเสียมากกว่ารเูเบี้ยวๆบุบๆเหมือนตัวอมีบา้า เป็นช่องทางลึกดิ่งแนวตรงชนิดที่มอพอมองเห็นแล้วก็ใจหายมีแงช่ชะง่อนเห็นโผร่ละอยู่ตามแนวทางที่ดิ่งลงไปนั้นแสงสว่างในยามเช้าที่ยังไม่กระจ่างนักส่องรอดลงไปได้เพียงเจ็ดแปดหลาเท่านั้นอะไรกันนี่มีเหวอยู่ตรงนี้สเตนรีลีคลางออกมามีกิ่งไม้แห้งสมปากทางปิดบังไว้ด้วยฉันสังเกตแล้วว่าบุญคํากําลังก้มลงตรวจพิจารณาอยู่พอดีเชิดวุฒิเดินล้ําหน้าออกไปก็เลยเกือบพลัดตกดีว่าช่วยกันชุดไว้ได้ทัน พิซบอกโดยเร็ว My ม o กู n e น s เบอุทานแผวตาสีน้ำตาลเบิกกว้างเกิดเซยและจันบางคนทิ้งตัวลงพังภาพบางคนคุกเขา่าโฉงกลงไปดูในโพรงนั่นทันทีโอ้โหลึกมองไม่เห็นก้นโลมืดตือ้อเซยร้องออกมาใช้ไฟลงไปที่ช่วยกันใช้หลๆดวงหัวหน้าคณะออกคำสั่งละล่ำละลักโยนก้นซิกาในปากทิ้งทันทีสุดตัวลงคุกเขา่าชฉงกลงไปดูด้วย แล้วลำไปฉายเดินป่าขนาดแปดท่อนไม่ต่ำกว่าสีห้าดวงก็พุ่งจ้าลงไปทันทีที่ลําแสงส่องไปในโพรงหรือเหวนั้นทั้งหมดก็แทบช็อกในสิ่งที่เห็นประพินเฮ้ยนายเฮ้ยนายนอนอยู่ที่นั่นต่ากว่าระดับแง่หินที่โปรเห็นเหลี่ยมน้อยใหญ่และลากไม้กับเถาวันที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณขอบผนังอันชุ่มชื้นเขียวคล้ำไปด้วยตะไคร่หรือตะกลากโพรงที่ทุกคนคุกเข่าชะโงกส่องไฟอยู่ในขณะนี้ลงไปประมาณสิบสองสิบสามหลา ร่างของจอมพรานนอนหงายคาติดอยู่กับแง่หินอันดูเป็นลักษณะเหมือนชานที่งอกล้ำออกมาและสายของเถาวัลย์ปนกับรากไม้ร่างของมัคคุเทศนําทางสงบนิ่งไม่ไหวติงมือทั้งสองประสานวางกันอยู่บนอกบัดนั้นเองทุกเสียงก็ระดมตะโกนเรียกลงไปสนั่นวันไว้โดยเรียกนามของเขาร่างนั้นไม่ยินยนคงนอนสงบนิ่งเป็นดุษฎีเสียงที่พยายามตะโกนเรียกสงบลงแล้วทุกคนที่ติดตามมาบนปากเขหวพูดกันเองจอกแจ๊ก คริสแมมดิมชิปากแน่นเหลือบดูหน้าแม่เพื่อนสาวเบลก็พอดีกับที่แม่ผมแดงจ้องอยู่ก่อนแล้วเบลกระซิบขอให้พระเจ้าคุ้มครองเขาขอให้เขายังมีลมหายใจอยู่พริสวางเอ็มสิหประจามือลงทันทีโปรตเป้หลังออกยังว่องไวดึงสายเชือกไนลอนประจาตัวออกมาหมุนไปรอบๆแล้วปราดเข้าไปผูกชายด้านหนึ่งด้วยเงื่อนอันแข็งแรงกับโคนต้นไม้ขนาดย่อมผ่อนสายเชือกที่มัดโยงไว้แล้วตรงที่ปากลุมทันทีพุกคนมองเห็นก็เข้าใจว่าหล่อนจะทำอะไรโชดวุดกับคิดล้ังไหลไว้คริสเธอจะลงไปหรือ ยิ่ช้าเท่าไรโอกาสที่จะช่วยเขาก็น้อยลงเท่านั้นถ้าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่เธอควรจะให้เชิดวุหรือชั้นลงไปพร้อมกับพรานคนใดคนหนึ่งคิดว่าจะ แ, แม่ผมทองสันศิสายังเชียบค่ะเธอกับชวดเชิดบุดตัวโ ต, ว ต, วตวและน้ําหนักมากเกินไปไม่สะดวกหรอกส่วนเบลก็ไม่คล่องพอพลัดพลังพลาดพรังพรรพร้งอย่างไรจะหลุดลงไปเสียอีกคนหนึ่งลักษณะที่เขานอนติดแง่หินอยู่บินเมที่สุดถ้าไม่ระวังให้ดีอาจพรรลัดหลุดร่วงลงไปอีกก็ได้ทั้งหมดคอยช่วยกันอยู่ข้างบนดีกว่า เชือกประจำตัวออกมาแล้วยโรยย่อนรอตามลงไปหลายๆเส้นถ้าไม่แน่ใจว่าจะมีแรงฉุดลั่งไม่ได้ก็ให้ผูกสายเชือกไว้กับต้นไม้ก่อนแล้วคริสก็หันไปรอบๆร้ล об, ลองเรียกหนักหนักบุญคําบุญคําอยู่นี่แมมฉันต้องการให้บุญคําตามฉันลงไปด้วยเราจะได้ช่วยกันลักษณะของเจ้านายบุญคําที่เรามองเห็นอยู่นี่ถ้าไม่สลบก็ตายแล้วแต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนเราจะเอาเขาขึ้นมาเดี๋ยวนี้บุญคําลงไปช่วยกับฉันสองคนช่ว ส, ส่วนคนอื่นๆคอยให้ช่วยเหลืออยู่บนนี้ ในภาวะคับขันเช่นนี้คริสติน่าตัดสินใจได้รวดเร็วและฉับไวขีดสุดด็อกเตอร์สแตนลีย์ผู้เป็นหัวหน้าคิดสร ะ, ะตาแล้วเขพยักหน้าอนุญาตเพราะมองไม่เห็นว่าจะมีใครเหมาะสมไปกว่าอีกแล้วตกลงคริสเธอกับบุญคําลงไปพวกเราจะคอยช่วยอยู่บนนี้เดี๋ยวทางนั้นให้บุญคําหย่อนตัวลงหน้าลงไปก่อนแม่มคอยตามหลังแต่เท่าบอ ก, กเร็วปรือหน้าแกซีดวนเหมือนเหมือนกับทุกคนในขณะนี้แล่นไปเอาสายเชือกอีกเส้นหนึ่งของแกเองผูกกับแงะหินอีกด้านหนึ่งตรงข้างกับต้นไม้ที่คริสผูกไว้ก่อนแล้วจากนั้นก็ปราดเข้ามามททันที วางไรเฟิลประจำมือฝาลไว้กับพวกนั้นเอาอยัางไงแม่มนัด ก, กันให้เข้าใจเสียก่อนบุญคําหย่อนตัวลงไปและล้ําลงไปในระดับที่ต่ำกว่าบริเวณที่ระพินนอนนอนติดค้างอยู่ตรงนั้นคอยหาทางประคองไว้ถ้าหากว่าเขาจะล่วงรุดจากแง่ตรงนั้นลงไปอีกระหว่างที่ฉันผูกเชือกลัดตัวเข้าไว้เพื่อให้พวกข้างบนชักลอกข้วขึ้นมาตอนลงพยายามอย่าให้กระทบกับบริเวณที่ระพินนอนอยู่เลยโดยหลีกไปทางช่องว่างอีกด้านหนึ่ง ฉันไม่แน่ใจว่าถ้าเพิ่มน้ำหนักอีกนิดเดียวแถาวันที่รองรับเขาอยู่ครึ่งตัวนั้นจะทา น, น้ำหนักตัวไหวไหมตกลงแต่เท้าบอกสั้นๆแล้วโรยตัวลงไปทันทีอย่างระมัดระวังตัวแกเล็กอยู่แล้วจึงคล่องที่สุดประกอบกับทางลงก็ไม่ยำบากยากนะเพราะผนังทุกด้านของปล่องเหวประหลาดมีรากไม้และแง่หินโปรออกมาให้อาศัยเหยียบตัวพักตัวได้เป็นระยะระยะพิสตินามีปืนพกเพียงกระบอกเดียวโปรโยตัวตามลงไปเป็นคนที่สองในขณะที่สแตนลีย์สั่งให้คนอื่นๆช่วยส่องไฟลงไป ตัวเขาเองคริสและเชิดวุฒเอาเชือกประจำตัวย่อนตามเป็นพี่เลี้ย ง, งไปอีกถึงสาเส้นระวังตัวคริสและตรวจสอบด้ว่าเขามีชีวิตอยู่หรือเปล่าบอกขึ้นมาให้เรารู้ก่อนด้วยก่อนที่จะผูกเชือกติดตัวเขาให้เราชุดขึ้นมาเสียงเบลตกลอนบอกลงไปด้วยภาษาอังกฤษเพื่อไม่ให้พรานเพื่อนเพื่อนเมืองเข้าใจและตัวเองก็ชฉมโอกตามองเพื่อนสาว ก, กับบุญคําลงไปด้วยหัวใจที่เต้นแรงแซนลี่เอามือขยี่ปลายคางตาจับคำเหงลงไปเบื้องล่างซึ่งเห็นอะไรไม่ชัดนะักแ่าจะมีไฟฉายส่องนําอยู่เพราะเรียมหิน เรียมหินและลาบไม้บงังไปยังไงมายังไงกันนี้เพ่อเจ้าปักปูนถึงได้เดินมาลงเหวเส ง, ง, ง่ายๆแบบนี้ก่อนจะหล่นลงไปนอนแผ่อยู่ตรงนั้นจะต้องกระทบแง่หินละลงไปเป็นลําดับทีเดียวทาไมตายก็ค้างเหลืองพระพินจะต้องติดตามอะไรมาอย่างแน่นอนเชิดวุดบ็บอกเสียงแหบๆใจร้อนราวกับไฟมี่เหตุจนใจรู้ชักจูงให้เขาต้องตามมาทางด้านนี้และมีกลอนอุบายดักเขาไว้และปรากเหวนี่ตามปกติไม่ได้ปิดอยู่ แต่มีอะไรสักอย่างเจตนาเอากิ่งไม้แห้งมาปกคลุมปิดไว้แล้พินเดินมายัางไม่ทันระวังตัวก็เลยพลัดตกลงไปผมเองก็เกือบตกลงไปแล้วเหมือนกันเมื่อตะ ก, กี้ดีว่าบุญคํากับคริสช่วยกันฉุดไว้ทันลักษณะดินมันเป็นปลองเฮลธรรมชาติแต่ได้กลายเป็นหลุมพรางรอดพินไว้ให้เดินตกมาตกถ้าจะให้ผมถ่ายก็จะต้องเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่กองทัพช้างกับไอ้ผีดิพวกนั้นเข้าโจมตีทางด้านโน้นพอมันรอดเข้ามาตกเฮลได้สำเร็จพวกมันก็บุกเข้าโจมตีเราทันทีไอ้ผีนรกสา คริสสะบทในภาษาของตนแต่เอามาได้ความในทำนองนี้เขเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ดีไม่ดีตายไปแล้วประเดี๋ยวให้คริสลงไปถึงก็คงรู้พรานของเราพินอีกสามคนคือจันเสยและเกิดไม่มีใครปรีปากพูดคาใดเลยอากาศรุ่งเช้าเย็นช่าชื้นแต่ทุกคนยามนี้เหงื่อแตกพลักบุญคํากับคริสค่อยๆโรยตัวตามกันลงไปยิ้งระยะห่างกันหนึ่งช่วงตัวเสียงตะคาเตือนแหมมให้ระวังตัวทุกอาการเคลื่อนไหวพราะแง่หินจับตะไคร่น้ำลื่นมากขณะนี้ ต่เท่าคิดอยู่สองอย่างเท่านั้นคือนายจะตายหรือเปล่ากับรักและน้ำถือน้ำใจของแหม่มผมทองขึ้อีกอักโขที่แม้จะดูผัดผ่านว่าดีแต่ญิงจองหองแต่เมื่อถึงเวลาเป็นเวลาตายจริงๆแล้วหล่อนเป็นผู้กล้าหาและเสียสละสุดยอดคนหนึ่งจําห่างสติดีคล่องแคล่วฉับไวไปหมดโดยเฉพาะยอมตะเสียงไต่เหวลงมาช่วยเจ้านายของแกซึ่งผิว ด, ดิสัยของผู้หญิงทั่วไปดูๆแล้วก็เกือบเหมือนนายหญิงดารินและแหม่มมาเรียมากและบุญคําก็ลงถึงล่างของรพินแกหยุดชะงัก จ้องดูภาพของเจ้านายที่นอนง่ายสงบอยู่อย่างเป็นห่วงเสียงคริสร้องเตือนมาว่าอย่าหยุดอยู่ตรงนั้นโดย ต, ตัวต่ำลงไปหาแง่หินเหยียบยันไว้แล้วค่อยประคองด้านหลังของเขาอย่าให้พรัดุดลงไปอีกสมุนขวาของรพินปฏิบัติตามคําสั่งทันทีพลางออกมาอุบอิบว่าโทนายกูส่วนคริสกัดลิมพิปากแน่นแล้ค่อยผ่อนสายเชือกทีละช่วงโอนตัวลงจนกระทั่งมาแตะเท้าพยุงตัวบนแง่หินได้พอเหยียบได้ก็ใช้มือเกาะแง่หินด้านสูงไว้ ส่วนเท้าเหยียบบนชานพักสามารถยืนได้อย่างถนัดขึ้นแล้วล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบเอาไฟฉายนีออนแบบแบตเตอรี่ติ๋วข น, ขนาดแบนขนาดแบนสี่เหลี่ยมโตกว่ากล่องบุหรี่เล็กน้อยออกมาเปิดสวิตช์ไฟสว่างนวลขึ้นเพราะลำแสงไฟฉายจากพักพวกที่ช่วยส่องลงมาจากด้านบนไม่กระจ่างเท่าที่ควรหล่อนวางกลักนีออนนั้นลงกับชะง่อนหินระดับที่ใกล้เคียงล่างของระพินที่สุดแล้วสุดกายเอื้อมมือไปแตะร่างกายของพรานใหญ่ ครั้งแรกใจหายว่าเพราะสัมผัสกับความเย็นเฉียบและชื้นไปด้วยละอองน้ําประพินร่อนกระซิบแทบไม่มีเสียงผ่านลําคอออกมาเบื้องบนทุกคนเงียบกริบจา้าตาจ้องคามิ้งลงมาเบื้องล่างลิสติน่าผูกเชือกที่ใช้โลยตัวลงมากุเอวตัวเองแน่นกระชับเพื่อป้องกันไว้ก่อนแล้วไต่ชานหินเข้าไปจนชิดร่างที่นอนนิ่งอยู่ร้องถามบุญคําเบาๆก็ได้รับคําตอบว่าคอยยันระวังตัวอยู่ด้านล่างแล้วโดวยเหยียบยืนอยู่กับแง่หินตอนหนึง่ง ไม่ต้องกลัวตัวของนายละพินหลอนนายแมมบุญคำเอามือยันรับส่วนหลังของแกไว้แล้วแม่ผมทอนค่อยๆเอื้อมมือไปคว้าข้อมือของพรานใหญ่ผู้เคราะร้ายอย่างแผ่วเบาตามองอยู่ที่ใบหน้าเขียวคร่ำและตาหลับสนิทนั้นแสงไฟฉายจากนิออนกล่องกล่องเล็กที่เปิดตั้งไว้สว่างพอจะเห็นอะไรตรงนั้นได้ถนัดชัดเจนพอสมควรทีเดียวแล้วหล่อนก็จับชีพจรที่ข้อมือข้างนั้นถอนใจเยือกหลับตาลงเอามือข้างนั้นมาแนบกับแก้มของตนเองจูบเบาๆโดยอีกฝ่ายไม่รู้สึก ขอบคุณสวรรค์แต่ซิบกับตนเองเบาที่สุดภาพนั้นไม่มีใครเห็นแม้แต่บุญคําเองเราตัวแกลงไปอยู่ด้านล่างของบริเวณที่พานใหญ่นอนอยู่เฮ่ hey, ทาไมเงียบกันไปหมดอย่างนั้นเรากําลังรอฟังข่าวอยู่น่าจะเป็นข่าวร้ายที่สุดก็ตามเสียงสเตนลีย์ตะโกนกร อ, อกโพรงลงมาเขายังไม่ตายแต่สะบักสะบอมมากไม่รู้สึกตัวในขณะนี้หล่อนตะโกนบอกขึ้นไปเสียงร้องออกมาด้วยความยินดีแทะลงมาจากพวกข้างล่างแต่พวกข้างบนฟังข่าวอยู่ แล้วมเบลก็ตะโกนแจ้งลงมาว่าอัตราชีพจรคริสอ่อนมากหกสิบต่อนาทีสวรรค์ทรงโปรดขอให้เต้นอยู่เท่านั้นฉันรับรองว่าเอาไว้อยู่เอาละคริสเอาเชือกที่โรยลงไปให้นี่มัดตัวเขาให้มั่นคงแข็งแรงที่สุดคล้องที่สีข้างใต้ระดับแขนทั้งสองข้างเสร็จแล้วตะโกนบอกพวกเราขึ้นมาเวลาเราดึงขึ้นเธอกับบุญคําไตประคองคอยจับร่างกายเขาไว้ด้วยอย่าให้กระแทกกับแง่หินรอเดี๋ยวคริสบอกขึ้นไปแล้วคว้าเชือกที่พักพวกหย่อนตามลงมาเส้นหนึ่ง อันแขวงอยู่ใกล้ที่สุดออกกําลังกระตุกเป็นสัญญาณเตือนให้ทราบบอลลอนจะใช้เชือกเส้นนี้ผูกมัดร่างกายของระพินพวกข้างบนเข้าใจดีจากนั้นหล่อนก็ย่อนเชือกผ่านสี่ข้างของระพินลงไปด้านล่างบุญคําห็นสายเชือกที่ฉันย่อนลงไปนี่ไหมเห็นนายแมมจับไว้พันอ้อมมาทางด้านที่ชันนั่งอยู่นี่และส่งปลายขึ้นมาอึดใจเดียวบุญคําก็แย่ปลายเชือกที่พันรอบกายระพินจากด้านล่างขึ้นมาให้คริสจัด ก, การผูกมัดหลวมๆกับบริเวณซวงอกต่ํากับบริเวณลักแร้ทั้งสอง ด้วยเงินที่จะไม่มีวันหลุดคลายออกได้ขณะนั้นเองบุญคําผู้อยู่ต่าลงไปก็ถามเบาๆว่านายของบุญคําไม่ตายแน่นะแมมความจริงถ้าตายเสียได้พวกของบุญคําก็สบายนะจะได้ไม่ต้องนําทางลําบากกันต่อไปอ้าวไงพูดงั้นละแมมไม่มีใครใช้ไม่มีใครวานสักหน่อยอุตสาห์เดินมาตกเหวเองมันเจตนาจะฆ่าตัวตายงั้นแหละคนอะไรก็ไม่รู้โอแมมนี่ทําแมมไม่ได้ไตเหวลงมาพร้อมกับไอ้คำแล้วก็ พูดแบบนี้ไอ้คำผักแหม่มตกเหวไปแล้วพวกข้างบนก็ไม่รู้ด้วยว่าบุญคําฆ่าแหมมนึกว่าอุบัตเทศุร็บุญคําจะฆ่าฉันเสียเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่นะไม่ว่าอะไรหรอกร่อนตอบเรียบๆขณะที่บรรจงผูกเงื่อนข่าไม่ลงหรอกสวยออกแบบนี้เก่งกล้าก็ออกแบบนี้เก็บไว้ให้นายของบุญคําดีกว่าแก ต, ตอบอู้อี้มาจริงหรือเปล่าบุญคําอีกฝ่ายกลับถามอาเลยที่แกไม่คาดคิดและปัญญาอย่างแกก็ไม่สามารถจะโต้ตอบสวนคําใดได้ทันกับอีกฝ่ายที่เหนือกว่าด้วยประการทั้งปวงเลยเสบอกว่า ไรเฟิลของพลานใหญ่ตกลงไปในซอกหินข้างล่างนั่นหางอีกนิดเดียวเท่านั้นแหมมัดนายเสร็จก็ช่วยประคองตัวไว้ให้พวกนั้นชะกลอกขึ้นไปบนคำจะลงไปเก็บไรเฟิลของนายไม่แน่จริงนี่ตะคำเสียงคริสบอกมาปนหัวเราะเบาๆฉันถามอะไรไม่เห็นตอบให้ตรงคําถามลูกน้องแต่ละคนรู้สึกจะห่วงลูกพี่ละเกินอย่ากังวลไปเลยฉันไม่ทําให้เจ้านายของพวกเธอต้องทลยศต่อผู้หญิงคนที่เขาลากหรอกและฉันเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเมาไปกว่าผู้ร่วมงานสําคัญคนหนึ่งเท่านั้น ก็ดีงั้นไอ้คำก็โล่งอกไปทีอย่างแม่มคริสนะ่ยถ้าจะเอานายระพินเมื่อไหร่ก็เอาได้เหมือนนั้นแหละนายของบุญคำพระอิตรพระปูนที่ไหนนายนะดูผัดผ่าแกก็ไม่เห็นหน้าพิศวะสสำหรับผู้หญิงคนไหนเลยสักนิดลูกก็ไม่หลอพ่อก็ไม่รวยกระลุงกระลิงมอมแมมไปทั้งตัวทั้งตาปีตาชาติแต่น้ําใจของแกรประสเสริฐนักในเรื่องความเป็นลูกผู้ชายสุภาพบุรุษผู้หญิงคนไหนมาเดินป่าระจนภัยกับแกพ่ออดรักแกไม่ได้เพราะเรื่องนี้แหละแต่พอแยกทางกันไปแล้วทุกคนก็ลืมแกหมด แต่ครอีกคนหนึ่งก็ยังคงไม่ลืมเขาไม่ใช่ลึกไม่รู้สิถ้าไม่ลืมก็ควรมาตามแต่ไม่รู้จะตามมาหรือเปล่านายของบุญคําเป็นคนไม่มีวาสนากับใครเขาหรอกแม้กระทั่งเรื่องผู้หญิงอกหักมาตลอดแกถึงไม่สนใจใยดีกับผู้หญิงไม่ว่าจะสวยหยาดฟ้ามาดินสักแค่ไหนเพอนี่เราก็พูดถึงแกอยู่นี่ไอ้คํายังไม่แน่ใจเลยว่าแกตายหรือเปล่าแหม่ย์อย่าหลอกนะไม่หลอกหรอกแต่เขาท่าทางจะอาการหนักมากทีเดียว หน้าแปลกอยู่อย่างหนึ่งเท่านั้นที่เขาร่วงฟาดละมากับพื้นแต่ไม่มีบาดแผลหรือเลือดออกเลยแผลรือเลือดนะไม่มีวันเกิดขึ้นกับนายระพินหรอกแกมีของดีอยู่ยงคงกระพันมีโกนเฉือนยังไม่เข้าแต่เรื่องช้ำในนี่ต้องให้ดีสะแค่ไหนก็กันไม่ได้ถ้านายระพินจะตายก็ไม่ใช่ตายเพราะบาดแผลหรือเลือดออกแต่อาจาตายเพราะเลือดตกไนหรือช้ำไนเสีมากกว่ากับตายด้วยโรคเก่าของแกคริสผูกระพินผู้ไร้สติเสร็จทดลองจนแน่ใจก็ตะโกนบอกขึ้นไปว่า เรียบร้อยฉุดขึ้นได้ช้าๆนะท่านจะไต่ประคองเข้าขึ้นไปพร้อมกันด้วยโอ <Okay. S 1> เคเสียงร้องตอบลงมาขณะเดียวกันร่างของรพินที่กำลังนอนหงายอยู่ก็เริ่มค่อยๆขยับขึ้นอย่างช้าๆแล้วลอยจากบริเวณนั้นในลักษณ ะ, ษณะแขวนโตงเจงร่องแรงริสซองไฟนิออนแบบกล่องเล็กไปให้บุญคําเพื่อให้แกไต่ลงไปเอาไรเฟิลที่หล่นต่ําลงค้างอยู่ในซอกหินตัวหลอนเองโหนสายเลือกประคองร่างหมดสติของพลานใหญ่เป็นพี่เลี้ยงเคียงคู่ขึ้นมา โดยคอยพยุงร่างครับให้หลีกจากแง่หินอันโผล่ขวางอยู่พร้อมกับร้องเตือนพักพวกขึ้นเป็นระยะระยะให้ใช้ความระมัดระวังขีดสุดประมาณห้าถึงหนาทีเท่านั้นร่างของจอมาคุเทสก็ขึ้นมานอนแผ่สงบอยู่ปากเขวพุกขนพรู ก, กันมาลุมมุมาลุมลุมล้อมทันทีหมอเบลปราดก็ถึงตัวก่อนพุ่มลงฟังหัวใจและชีพจรด้วยสีหน้าเคร่งเครึมเชิดบูธคิดและสเตนลี่ตรวจ ด, ดูตามร่างกายไม่พบอะไรนอกจากรอยปูดหนูและฟกช้ำดําเขียว ตัดไม้มาทําแค่เดียวนี้เราต้องเอาเขากลับแคมป์เร็วที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือปฐมพยาบาลไม่มีติด ก, กันมาด้วยเลยเรลพูดเร็ ว, รวปรือเชอดวุฒก็หันไปร้องบอกเกิดเสยและจันในทันทีนั้นทั้งสามออกเพนุงไปจัดการหาทำแค่หามในทันทีพริสยังนั่งเอามือยันกับพื้นเพราะความเหนื่อยอ่อนตะคาลายังไม่ขึ้นมาอีกหรือที่หันไปถามแม่ผมทองแต่เดี๋ยวก็คงตามขึ้นมาไม่ต้องห่วงแกหรอกแก ล, แก ล, แกลงไปเก็บ ปืนของเราพินลนลงไปติดซอกหินระดับต่ำลงไปอีกนิดหน่อยไม่เป็นอะไรแน่นอนนะเบลแอนลี่หันไปถามลูกน้องผู้มีฐานะเป็นแพทย์ประจําคณะที่กําลังออกที่กําลังตรวจง่วนอยู่น่าจะคอหักตายไปแล้วแต่ไม่ทราบรอดอยู่ได้ยังไงบาดแผลไม่มีเลยแต่หนักแน่ค่ะอาจารย์สภาพที่เขาตกลงไปอย่างที่เราเห็นอยู่นี่บุคคลทั่วไปในรายเฉลี่ยที่ก็ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนอกจากสวดส่งวิญญาณแล้วก็ขุดลุมฝังได้ แต่นี่เขายังหายใจอยู่แม้จะไม่ปกตินะเนื้อหนังดีชำมัดเลยเสือนี่ลูกศิษย์อาจารย์ไหนวพะพระเพาะก็ไม่เห็นแขวนเชิดมุดซึ่งบัดนี้สีหน้าดีขึ้นแล้วพูดออกมาเบาๆอย่างศรัทธาเลื่อมใสเต็มที่หมายความว่ายังไงที่ว่าเนื้อหนังดีเบรผู้ไม่เข้าใจภาษาไทายแตกฉานนะักอันมาถามขณะที่ประคองศีษาารษะพิณทดลองบิดเบาๆไปมาเพื่อสํารวจกระดูกคอต่อและตรวจดูกระดูกส่วนต่างๆว่าจะหักหรือแตกไปบ้างหรือเปล่า พวกที่มาจากดินแดนวิทยาศาสตร์จะไม่มีวันเข้าใจหรอกคนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะคนไทยที่เขาร่ำเรียนทางสายศาสตร์แก่กล้าเขามีอะไรอยู่ในตัวชนิดที่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เนื้อหนังยูยงคงกระพันอาวุธหรือของมีคมทุกชนิดไม่อาจทําอันตรายเขาได้หรอกแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนไปเป็นเพียงบางคนที่เก่งจริงๆเท่านั้นคุณเห็นด้วยความประหลาดใจว่าระพินหล่นเหวกระทบแง่หินละไปตามลําดับ จะไม่มีรอยแตกรอยบาดแผลหรือเลือดออกเลยก็ปแปลว่าเนื้อหนังของเขาคงทนเป็นพิเศษถ้าไม่เกิดจากของขังประจําตัวเวทมนต์คาถาก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขายึดมั่นนับถือคุ้มครองป้องกันเขาไว้ปรพินถ้าไม่มีดีในด้านนี้อยู่กับตัวเขาก็คงเป็นพลานใหญ่มาไม่ได้อย่างทุกวันนี้หรอกไม่สังเกตบ้างหรือว่าขนาดดงหําหนาเทืพวกเราฝ่ากันไปไม่ไหวรึพยายามเดินติดตามเขาตัวเลือดออกติ๊บกระหน่ำเกี่ยวน้ําตําแต่ไหนนี่เดินบุกเข้าไปยังกะ เดินผ่านดงขนนกไม่มีรอยขีดข่วนเลยนั่นแหละหมายถึงว่าเนื้อหนังของเขาคงทนกว่าเราฝ่ายอเมริกันทุกคนยกเว้นคริสฉันได้รับทราบมาจากบุญคำก่อนแล้วงงไปไม่เข้าใจอะไรนะคีดแย้งว่าอ้าวก็ะทางนั้นตอนที่ต่อยกับชั้นวันนั้นทำไมถึงหน้าตาแหกเลือดออกโซมไปเหมือนกันถ้าเหนียวจริงมันก็ต้องไม่แตกสิวะของอย่างนี้มันไม่แน่หรอกคีดมันอยู่ที่ตัวเขาเอง ว่จะเรียกพลังจิตบริกรรมเวทมนต์คาถาป้องกันตัวไว้หรือเปล่าถ้าเขาปล่อยให้มันว่างมันก็เกิดบาดแผลเลือดออกได้เหมือนกันไม่งั้นเวลาที่เขายอมให้ฉีดยาเข็มฉีดยาจะทะลุเข้าไปได้ยังไงถ้านายไม่เชื่อเวลาเขาได้สติหายดีแล้วลองพลัดกันเอาไม้ชเฉือนเนื้อกับเ ข, ขาคนละทู ด, ดีคนละทีดูก็ได้ท่านว่านายเชื้อเขาไม่เข้าหรอกแต่ถ้าเขาเชื่อนายก็เลือดก็ฉูดแน่เฮ้ยไม่เอาด้วยหรอกกลัวใจไอ้เสือนี่ว่ะ ขนาดตกเขลลงไปแบบนี้ยังหายใจอยู่ได้อีกก็เห็นฤทธิ์ละส่งไฟลงไปพบครั้งแรกร้อเปอร์เซ็นต์ฉันว่าในนี่เป็นศพพอคริสตโกนบอกขึ้นมาว่าชีอพอผจญยังเต้นฉันแทบไม่เชื่อหูแต่นี่ยังไม่รู้เลยว่าถ้าฟื้นขึ้นมาประสาทสมองจะใช้การได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่ากระทบกระเทือนแรงมากขนาดใช้ถอยด้านหลังบวมปูดเลยกระโหลกด้านหลังนั่นก็โนบวมอย่างกระลูกแอปเปิลถ้าเลือดข้างในสมองก็เสร็จถึงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต ประโยคลังของคีสเป็นความหนักใจของหมอเบลเช่นกันรอนพยายามก้มลงกระซิบเรียกนามเขาข้างหูทีๆแต่ก็ไม่ได้มีอาการตอบรับรสแสดงตัวว่ารู้สึกจะอย่างใดทั้งสิ้นแครสสำหรับหามคนเจ็บก็ทำอย่างลวกๆเจ็ดสิ้นลงด้วยความชำนาญของพวกพรานพื้นเมืองมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่บุญคำไตเชื่อขึ้นมาจากเทวปืนพน่นปีนพ้นขอบขึ้นมาได้พร้อมกับไรเฟิลประจามือของราพินเชิดวุจงเข้าไปฉุดรับขึ้นมาทันที ไรเฟิลขึ้นมาตรวจสอบปรากฏว่าผิวภายนอกตรงผ่านท้ายปืนถลอกไปบ้างเล็กน้อยและครอบศูนย์หน้าหลุดหายไปแต่ตัวยอดศูนย์ยังอยู่ครบบริบูรณ์ตัวปืนบรรจุกระสุนเต็มขึ้นลําไว้พร้อมหนึ่งนัดแต่เขาห้ามไกไว้มันแสดงให้เห็นว่าเขาหล่นลงเหวไปในขณะที่เดินติดตามอะไรสักอย่างหนึ่งโดยมีปืนระวังพร้อมอยู่ในมือส่วนไฟฉายคุณคําบอกว่าหล่นลงไปกระบอกแตกละเอียดอยู่กับพื้นชานหินใกล้เคียงกับไรเฟิล ใช้การไม่ได้อีกและไม่ได้เก็บซ่าขึ้นมาเปรสนามเสร็จสับโดยสแตนลี่ผู้ร้อนรุ่มเร่งเตือนอยู่ตลอดเวลาพอเปร์จำเป็นฮิ้วกันมาถึงเชิดวุดกับคิดก็ช่วยกันยกล่างของพรานใหญ่ที่ไร้สติอยู่ขึ้นไปนอนสงบยิ่งอยู่บนนั้นไม่มีการรอช้าอีกต่อไปกลับที่พักเร็วที่สุดบนหน้าคณะสัง่งพานทั้งสี่ขมอประจำแคร่นั้นยกขึ้นถามคนละด้านปลิวทันทีและออกเดินนําริ้วลงไปก่อน ฝ่ายในจ้างทุกคนก็เดินตามติดมาอย่างกระชั้ชิดบัดนี้ทุกคนใจมาครึ่งหนึ่งแล้วที่ค้นพบได้ตัวจอมมะคุเทศโดยแต่ความวิตกเท่านั้นว่าอาการของเขาจะเป็นเช่นไรตำแหน่งที่ค้นพบประพินตกลงไปสิ้นสติอยู่ในเหวบนเนินเขาเตี้ยๆกับบริเวณหน้าผาใหญ่อันเป็นที่ตั้งแคมป์ความจริงก็ไม่ไกลสักเท่าใดนักเลยถ้ารู้ที่หมายแน่นอนเสียอย่างเดียวการจะเดินกลับแคมป์กันอย่างเร่งด่วนในระยเวลากลางวันตะวันขึ้นแล้วเช่นนี้ก็จะใช้เวลาเพียงไม่เกินยีบห้ารือสาสิบนาทีเท่านั้น แต่เมื่อตอนใกล้สว่างที่ยังมืดมิดไปหมดนั้นทุกคนอยู่ในภาวะคําทางและพยายามแกะหาร่องรอยตามติดไปยังละมัดระวังจึง ท, ทำให้ล่าชา้าเสียเวลาไปกว่าขากลับเท่าหลายเท่าในเที่ยวขากลับนี้ทั้งหมดทำเวลากันยังเต็มที่สภาพป่าและภูมิประเทศแวดล้อมมองเห็นได้จะแจ้งแดดยังไม่ทันแรงและหมอกก็ยังไม่ทันจะระเหยหมดไปขณนะติดตามก็ล่วงถึงบริเวณที่พักเดิมอันแหลกลานไปแล้ว กองทัพคชสาร์ซึ่งมองเห็นซาของพวกมันกองละเนรละนาเป็นภูเขาเหล่ากาอยู่ทั่วไปเป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์ชัดว่าเมื่อคืนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครฝันเพ้อไปเลยแต่เป็นความจริงทุกอย่างระหว่างที่ทุกคนเดินลายล้อมเปรของระพินตรงไปยังบริเวณที่ตั้งแคมป์ซึ่งบัดนี้พวกลูกค้าและกระเลียงหมู่บ้านตะเกียนทองทั้งหลายได้ลงมารอฟังข่าวอยู่แล้วเต็มไปหมดด้วยความร้อนใจแซนลี่ผู้รอบคอบในฐานะหัวหน้าคณะ เราแวะแยกทางไปยังตำแหน่งที่จอมพรานเคยใช้เป็นที่นอนอยู่อันไม่ห่างออกไปนะักคว้าได้เป้หลังและเครื่องอัดาบริการในการนอนของเขาหิ้วติดมือตามหลังเข้าไปด้วยโดยไม่ปล่อยทิ้งไว้ทันทีที่พวกนั้นมองเห็นฝไฟในจ้างและพรานทั้งสี่หามเป้เข้ามาทุกคนก็ส่งเสียงฮือวิ่งเข้ามามุงดูโดยเร็วเจ้าวุฒก็ประกาศกล้องเพื่อเป็นการปลอบใจพวกนั้นว่าอย่าตกใจพรานใหญ่จะไม่เป็นอะไรเขาสลบไปเท่านั้นเราตามเขากลับมาได้แล้วระเดี๋ยวแก้ไขสักครู่ก็คงฟื้น แล้วเขาก็หันไปบอกกับนายตาผัวหน้าลูกหาบว่าบอกกะเลียงพวกนี้ทั้งหมดให้รู้ตามที่ฉันบอกนี่ด้วยภาษาเขาทันทีด้วยภาษากับเขากันทีนายตาผูวกำลังวิ่งเข้ามาชะงูกหน้าดูเจ้านายด้วยสีหน้าตื่นตกใจก็ร้องบอกซึ่งเป็นภาษากะเลียงตามคำสั่งแต่พวกนั้นก็ยังลุมลายล้อมรอบตัวเราพินอยู่เช่นนั้นพร้อมกับพูดกันแท้ไปหมดเต้นขึ้นตรงตาแหน่งที่เราเคยวางเต้นเดิมนั่นแหละวางเขาลงตรงนั้นเอาออกจากแคร่ให้นอนพื้นราบและใครสักสองคน ที่รู้เรื่องสัมภาระดีขึ้นไปเอาหีบเวชภันุกเชินลงมาให้ชันเดี๋ยวนี้หมอเบลสั่งการเร็วปรือทุกสิ่งทุกอย่างมีการเคลื่อนไหวกันยังฉับพลันทันด่วนโดยไม่ต้องเตือนซ้ําพวกลูกหาปักเสากระโจมทําเต็นท์ชั่วคราวตามมีตามเกิดทันทีร่างของพระพินถูกวางอยู่บนกองผ้าใบที่เหลือเหลือเป็นเศษอยู่เกิดกับเสยพร้อมกับน า, ายตาไต่ขึ้นหน้าผาไปทันทีเพื่อไปเอาหีบเวชภันขนาดนั้นแสงแดดยามเช้าเริ่มจะส่องผ่านม่านหมอกลงมา ให้ความอบอุ่นขึ้นบ้างและส่องจับร้างอันจี้เซียวขมุกขมอมของจอมพรานเหมือนเทพเจ้าจะช่วยสายรังสีแห่งชีวิตให้ทุกคนฝ่ายนายจ้างกําลังวุ่นสารววนอยู่กับการตรวจดูอาการของพรานใหญ่คุณคําก็หันหลีหันขวางและพยักพเยิดกับคู่หูซึ่งอาวุโสร อ, องลงไปคือจันซุบซิบอะไรลังจะเดินผ่านจากช้างหายเข้าดงริมทางไปเชิดวุดเหลือเพลนเข้าเะก่อนก็เพลนแล่นตามออกไปสกัดหน้าทั้งสองไว้เดียวทั้งคนที่จะไปไหนลุงคากับจนัน จันนิ่งอึดอัดแทนบุญคามีสีหน้าแสดงความลำบากใจและบอกเคร่งครึมผิดไปจากสภาพเดิมของแกวะบุญคำกับไอ้จันไม่ไปไหนหรอกนายทหารจะรีบไปหาอะไรหน่อยเดี๋ยวกลับมาจะไปหาอะไรบอกกันให้ชัดสินายทหารหนุ่มถามโดยเร็วนายละพินช้ำนายมากตกลงไปในกระแทกหินจันเป็นคนบอกก่อนที่จะให้ยาฟลังช่วยนายเราต้องหาทางแก้เรื่องช้ำนายก่อนไม่งั้นยาฟลังแกไม่ไว้หรอกถ้แก้ได้นายละพินก็จะต้องนอนซมอยู่อีกหลายวัน จันกับพี่คำจะไปหาสมุนไพร์ตัวยาที่จะแก้ช้ำไในได้อย่างซักติด ท, ที่สุดนายทหารช่วยไปบอกหมอแหม่มกับนายห้างสองคนนั่นก่อนได้ไหมว่าอย่าเพิ่งให้ยารักษาอะไรนายก่อนทั้งนั้นยกเว้นแต่จะช่วยแต่พาะให้แกมีลมหายใจไปาทางๆก่อนเท่านั้นพอให้จันกับพี่คําเอายาสมุนไพร์ตำข้นนะ้ำผสมกับเหล้ากรอปากแกเจี ก, ก่อนพอแกเจี๋ยแอจะออกมาแล้วค่อยให้หมอแหม่มรักษาคราวนี้จะรักษากันยังไงก็ได้แต่ก่อนอื่นต้องเอาเลือด้ายออกก่อน เชิดวุฒิหันกลับไปทางด้านกระโจมทักขั่วคาวที่ขึงขึ้นเป็นสถานีเยียวยาฉกเฉิมซึ่งบัดนี้เห็นเบลคริสกับอเมริกันอีกสองคนกำลังคุกเข่ามุ่งอยู่รอบด้านลุงคำกล้ารับรองกับฉันได้หรือว่ามันจะได้ผลเอาหัวเป็นประกันเลยนายทหารเชื่อพวกบุตรคำเถอะถ้าเราไม่มียาดีในเรื่องนี้พวกเราก็ตายกันไปหลายครั้งแล้วถึงนายละพินเองถ้าแกได้สติขึ้นมาตอนนี้แกก็จะต้องใช้วิธีนี้รักษาก่อนอื่นบอกฉันหน่อยได้ไหมสมุนไพรตัวยาอะไรยาพื้นบ้านที่พวกชาวป่ารักษากันเองเหรอ ไม่ใช่สมุนไพรายาพื้นบ้านของชาวป่าธรรมดาหรอกจะเป็นสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ชาวป่าทั่วไปที่ไม่เก่งจริงก็จะไม่รู้นอกจากศิษย์มีอาจารย์อย่างนายละพินเท่านั้นพวกบุญคำเองแต่ก่อนก็ไม่เคยรู้แต่นายเองนั่นแหละเคยสอนพวกบุญคำไว้เวลานายใช้แก้ไขคนชำนานมากๆแกก็ไม่ได้รู้เองแต่อาจารย์พระธูดงของแกรประสิทธิ์ระสาวิชาให้เขาเรียกใบอนุมานประสานกายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังกรณีอนุมานประสานกายสังกรณีเชิดพุฒอุทาน อย่าให้บุญคํากับจันเสียเวลาเลยนายทหารยิ่งช้าเท่าไหร่นายก็แย่ลงเท่านั้นนายทหารรีบแล่นไปห้ามแหมมเบลก่อนเถอะน้ําป่งน้ำเกลืออะไรยังไม่ต้องให้ก่อนทั้งนั้นยิ่งยาฉีดยากินยาให้เลยเป็นอันขาตอนนี้ไม่มีประโยชน์หรอกบุญคํากับจันจะไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวเดียวเท่านั้นจะมาแถวนี้พองหาได้บอกยังไม่ทันจะจบคําดีทั้งสองสมุนซ้ายขวาของระพินก็พระหายเข้าพงลกดิ่มทางไปทันทีเกิดวุดยืนเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลัง แล้วพ่อแนบตรงมายัางล่างของรับผินซึ่งพวกนั้นยังมุ่งกันอยู่ขณะที่เขาวิ่งเข้ามาก็เห็นอิสซาเบลกําลังถือเข็มฉีดยาที่เพิ่งจะดูดออกจากหลอดเล็กๆที่ทดลองยาจากรลายเข็มให้พุ่งออกมาเป็นฝอยกระเซน็นเบลหยุดก่อนอย่าเพิ่งเกิดวุะโกนห้าออกเปสุดเสียงมันดูเหมือนจะช้าไปเสียแล้วพร้อมๆกับเสียงโวยวายของเขาที่ห้ามยือยับยังเขานั่นเองหมอเบลก็เสือกปลายเข็มฉับลงไปบริเวณหนังบนท้องแขนของรับผินไพลวันในลักษณะฉีดเข้ากล้าม มันเป็นเวลาเดียวกับที่เชิดวุดิวิ่งอกตั้งมาถึงเต็มไปด้วยการกระหืดกระหอบทุกคนในที่นั้นหันขวับไปทางเขาเป็นตาเดียวอะไรกันวุดต่างร้องออกมาส่วนหมอเบลนั้นอุท า, อ, าออกมาในลําคอเบาๆก้มลงมองเข็มฉีดยาเชิดวุฒิิ้งมาเหนื่อยหอบอย่างอ้าปากพูดอะไรไม่ได้ในขณะนั้นและต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่สามารถเข้าใจอะไรกันได้เดียวยังไม่สนใจอะไรมากไปกว่าหน้าที่แพทย์ของหล่อนพยายามเสือกเข็มที่กระเด้งเข็มที่กระเด้งออกมานั้นเข้าไปอีก เสียงเข็มฉีดยาเล่มเล็กคมกริบและบางเฉียบหักพี่ดังเพียกวอดคราวนี้เบลร้องลั่นทำหน้าเลิกหลักครั้งแรกเข็มเด้งออกมาครั้งที่สองเข็มหักเลยเกิดอะไรขึ้นเข็มฉีดยาของฉันถึงปักไม่เข้าไปในผิวของเขายังกระแทงเข้าไปในหนังควายแห้งนั่นแหละหลอนเงยหน้าโวยวายกับทุกคนและจัดการจะเปลี่ยนเข็มให ม, ทห ม, ทหม่ทั้งหมดหันไปจ้องคนเจ็บหมดสติอีกครั้งเจิวุฒกระซุดตัวลงคว้ามือไอผมแดงไว้ทันที่อนที่หล่อนจะพยายามต่อไป อย่าเพิ่งฉีดยาหรือให้ยากินใดๆแก่ลาพินทั้งสิ้นโชคดีแล้วเกินที่เข็มหักเสียก่อนที่ตัวยาจะเดินเข้าใต้ผิวของเขาอิสเบลและฝ่ายอเมริกันทุกคนงงไปหมดไม่เข้าใจทําไมลูบุสเราต้องช่วยเขาก่อนเดี๋ยวนี้ร่างกายของเขาเย็นชืดไปหมดอุณทภูมิแทบไม่เหลืออยู่เลยฉันจะให้ยากระตุ้นหัวใจก่อนแล้วต่อไปก็จะให้แคลเซียมช่วยในด้านความร้อนอย่าเพิ่งปฏิบัติการใดๆในทางวิทยาศ า, ศาสตร์การแพทย์ก่อนทั้งสิ้นในพันตรีหนุ่มบอกแล้วหก็หอบละล่ําละลัก ผมขอร้องทุกคนโปรดเชื่อผมสักครั้งผมรับผิดชอบชีวิตระพินในครั้งนี้เองหากว่าพวกคุณปฏิบัติตามผลและเป็นผลให้เขาเสียชีวิตลงผมจะอธิบายให้ฟังขณะนี้ระพินช้ำในมากเขาจะต้องได้รับการกรอกยาจากสมุนไพรเพื่อให้อาเจียนเพื่อสำรอกออกมาเสียก่อนตอนนี้บุญคํากับจันไปหาสมุนไพรนั่นมาแล้วถ้าหากคุณฉีดยาใดๆเข้าไปเมื่อบุญคำเอาสมุนไพรกรอกปากมันจะเกิดปฏิยาทางเคมีเป็นพิษขึ้นมาทันที และละพินจะตายแทนที่จะรอดเนื่องจากสมุนไพรของบุญคํากับยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ผสมกันไม่ได้รอให้ยาของบุญคํามาและให้เขาอาเจียนซะก่อนต่อจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของหมอเบลจะบ้าแล้วเหรอวุฒคุณเอาอะไรที่ไหนมาพูดจับตัวเขาดูสิตัวเขาเย็นลงไปทุกทีชีพจรช้าลงเหลือสี่สิห้าถึงห้าิบเท่านั้นโคม่าทีเดียวเบลร้องเสียงแหลมและพยายามจะฉีดยาให้ได้แต่เชิดวุฒจับแขนไม่มั่นกระชากเข็มฉีดยาไปจากมือตะโกน ผมบอกแล้วว่าขอให้ทุกคนเชื่อผมสักครั้งไม่ได้ยินหรื อ, อยังไงจากเสียงที่แผลดเอ็ดอึ่งของเชอร ว, วูดนั่นเองทําให้ฝ่ายอเมริกันทั้งหมดชะงักจ้องเข้าเขมง เ, เป็นตาเดียวเชอร์ ว, วูดอกัอกอักให้ทราบจะไม่ทราบจะอธิบายอย่างไรถูกนายวูดลองอธิบายให้ชัดหน่อยที่หมายความว่ายังไงรันแล้วดร์แซนลีย์ก็เอ้ยต่ำตำข้ามกลางความเงียบด้วยการตะลึงของคนที่แวดล้อมอยู่ผมอธิบายไม่ถูกหรอกด็อร์แซนลีย์เอาไว้ให้บุญคํากับจันทรมาถึงเสียก่อนเท่านั้นพอเวลาเดียวเดียวเท่านั้น ตอนนี้ผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือประถมพยาบาลครับในทางจรีละภายนอกไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งให้ยาไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นขย้ายเข็มขัดแก้ส่วนที่รัดคับผ่อนคลายออกจัดที่ให้เขานอนงายอย่างสบายต้มน้ำเอาผ้าประครบที่ต้นคอและรอยฟกช้ำของเขาไปปรางๆก่อนที่ยาของบุญคำจะมาถึงคุณไปเอาความคิดนี้มาจากไหนและคุณเชื่อได้ยังไงอ้อนี่แปลว่าเขาจะไม่ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์งั้นหรือลิสถามเสียงกระด้าง ขณะที่มือยังจับอัตราเต้นชีพจรคนเจ็บอยู่ตลอดเวลาส่วนเบลเอามือค่อยๆบรรจงแหวกม่านตาที่ปิดอยู่ขึ้นเอาไฟฉายแพทย์เล็กๆส่องทุกคนโปรดฟังผมเชื่อถือพูดอย่างพยายามฉันไปยังอเมริกันทุกคนที่มองไปยังเขาเป็นตาเดียวผมไม่ใช่คนงมงายด้อยการศึกษาแบบชาวปะชาวเขาทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ร่ำเรียนมาในระดับเดียวกับพวกคุณนั่นแหละแต่บางทีเราก็ต้องยอมเชื่อในบางอย่างเหมือนกัน โดยเฉพาะในเรื่องที่เราไม่ชำนาญคุณคํากับจันให้ผมมาขอร้องพวกคุณไว้เป็นการด่วนว่าไม่ให้ฉีดยาหรือกินยาใดๆแก่เจ้านายของเข้ามิฉะนั้นยาของฝ่ายเขาจะไม่สามารถให้แกระพินได้ขืนให้ซ้ําเข้าไปก็อย่างที่บอกแล้วมันจะกลายเป็นยาพิษทันทีและถ้ายังไม่มีโอกาสรักษาด้วยสมุนไพรเพื่อให้สํารอกออกมาเสียก่อนจริงอยู่ยาฉีดยากินอาจช่วยระพินได้เหมือนกันผมเชื่อความสามารถของพวกคุณว่าเอาเขาไว้อยู่แต่มันอาจช้าเสียแล้วไปเปล่า กระพินอาจต้องนอนสมสบักสะบอมให้พวกคุณรักษาอยู่อีกหลายวันก็จะหายจะบุญคํารับรองเอาหัวเป็นประกันวะให้ยาสมุนไพรของแกเสียก่อนแล้วแล้ให้อาเจียนออกมาแล้วยาสมัยใหม่จะช่วยให้เร็วขึ้นได้พวกนั้นบอกว่ายาช้าที่สุดอย่างช้าที่สุดไม่เกินพรุ่งนี้เจ้านายของเขาจะต้องเป็นปกติทำไมเราไม่ลองเชื่อพวกเขาดูสักครั้งเขาอยู่ในป่ากันมานานและผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วเบลเ บ, เบิกตาขึ้นนิดหนึ่งพร้อมกับยักไหล ฉันไม่เข้าใจก็แปลว่าตอนนี้แระเท่าบุญคำนั่นเป็นหมอไปแล้วใช่ไหมส่วนป ร, ริญญา M D M C ของฉันไม่มีความหมายตามใจน ะ, จะเอาอยัางไงกันก็แล้วหล่อนก็กิกแขนคริสติน่าบอกว่าเราถอยออกมาก่อนเถอะปล่อยพวกหมอผีเข้าไปพลางๆก่อนว่าแล้วแบลก็เคลื่อนตัวห่างออกมานั่งที่โขดหินไกลๆหล่อนขัดใจเป็นอย่างมากที่ถูกยับยั้งไว้ไม่ให้ทาการรักษาคนเจ็บ ตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหลอนคริสนั้นมีความอดทนและสัญชาตญาณที่ละเอียดอ่อนมากกว่ายังคงจับข้อมือระพินอยู่เช่นนั้นไม่ได้ถอยออกมาด้วยแต่ก็มึนงงพูดอะไรไม่ถูกระยะเวลาระหว่างนี้เชิร์วุพยายามพูดอธิบายกับสเตนลี่และคีดจนสุดฤทธิ์อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการทวงเวลาไปพลางๆก่อนผู้ชายดูเหมือนจะพูดได้ง่ายกว่าผู้หญิงโดยเฉพาะหมอเบลซึ่งกรฟัดกาะเฟียดไปแล้วเพราะความชุนภายหลังสอบสักอยู่ครู่รแเนลี่ก็พยักหน้าบอกว่าตกลงเราระงรับการให้ยาระพินไว้ก่อน ตามที่ฝ่ายพรานพื้นเมืองลูกน้องของเขาขอร้องไว้ทางนั้นก็บอกให้พวกนี้ต้มน้ําขึ้นเดี๋ยวนี้เลยจะได้เอาน้ําร้อนๆชุบผ้าเช็ดตัวและประครบรอยถูกกระแทกเข้าเสียก่อนเชิดวุฒซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวแทนของฝ่ายพราน พ, พื้นเมืองทั้งหลายก็หันไปร้องสั่งการทันทีทั้งหมดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลาพวกกระเหลียงตะเคียนทองทั้งลูกเล็กเด็กแดงและผู้หญิงที่ขึ้นไปอาศัยอยู่บนหน้าผาในถ้าสูงบัดนี้ทยอยลงมาเต็มไปหมด และเข้ามาให้การร่วมมือทุกอย่างเท่าที่จะทําให้ทาได้ทุกคนแสดงให้เห็นชัดโดยอาการอย่างจริงใจว่าเป็นห่วงระพินกันทั้งสิ้นเบลนั้นเมื่อคิดเข้าไปพูดอะไรอยู่ด้วยครู่หนึ่งก็ละความคุ้นเคืองลงเข้ามาใกล้คนเจ็บอีกครั้งตลอดเวลาคริสทําหน้าที่ปฐมพยาบาลอย่างแคล่วคล่องที่สุดการก่อฟืนต้มน้ําไม่ทําให้ทําให้น้ําเดือดไม่ทันใจจอนจึงสั่งให้พวกนั้นเอาเตาแก๊สลงมาแทนเพื่อประหยัดเวลาเสื้อผ้าของจองพานที่สวมใส่อยู่ขณะนี้ ก็ถูกขยายออกให้หลวมพอน้ำเดือดเบลให้คนเช็ดตัวให้โดยมีเชิดวูดคอยช่วยเหลือส่วนเซยกับเกิดสอนให้คริสม้วนผ้าเป็นลูกประครบอบไอร้อนขยี้ครึงเบาๆไปตามต้นคอของพลานใหญ่ซึ่งบัด น, นี้ร่างกายของเขาอ่อนปวกเปียกสุดจะใครจะจับพริกจับหันซ้ายหันขวาเช่นไรแซนลี่ก้มลงหยิบเข็มฉีดยาอนที่หักทิ้งอยู่กับพื้นขึ้นมาพิจารณาแล้วพยักหน้าเรียกพีทเข้าไปซุบซิบหาหรืออะไรอยู่คู่ก็ถามเบลว่า เข็มฉีดยานี้ไหม่เอียมมันหักได้ยังไงนี่เบลล์ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันครัอาจารย์ว่าฉีดอย่างธรรมดานี่แหละเด็กปเข็มเท่าไหร่ก็ไม่ยอมทะลุผิวหนังครั้งสุดท้ายฉันตัดสินใจปักเข้าไปค่อนข้างแรงมันก็เลยหักผิวหนังของเขาตอนนี้มันดูพิกลอยู่มีอาการลื่นและเหนียวแน่นยังไงบอกไม่ถูกเวลาเอาเข็มจิ้มเข้าไปมันก็บุบตามรอยเข็มแต่แทงไม่เข้าพกดหนักเข็มก็หักโชคดีเท่าไหร่บ้างแล้วที่เข็มหักเสียก่อน โดยคุณฉีดยามไม่เข้าถ้าเข้าและเดินยามเมื่อหลายยาสมุนไพของบุญธรรมก็ไม่ต้องให้อีกแล้วและลราพินก็จะต้องนอนให้พวกคุณรักษาอีกนานถ้าเขาลงนอนเสื้อคนเดียวเราก็ไม่ต้องทําอะไรกันแล้วจุดประสงค์ของเราก็คือต้องการให้เขาหายและแข็งแรงโดยเร็วที่สุดอย่างนั้นไม่ใช่หรือผู้พูดคือเชิดมุตรไม่มีใครถามอะไรอีกในบรรดาฝ่ายอเมริกันนอกจากกระพิปริบปริบระวังที่ขยับขยายเสื้อผ้าของพรานย้ายให้หลวมออกคริสลูบคำและค้นไปตาม กระเป๋าเสื้อและกางเกงของเขาปินเอาสิ่งที่บรรจุออกซึ่งจะทําให้เกะกะนอนไม่สะดวกออกทีละอย่างกองรวมกันไว้มีกระสุนอะไรที่เสียบอยู่ตามช่องที่ทักไว้ใกล้ๆแผงอกและมัดรวมด้วยอย่างเส้นเล็กๆประมาณยี่สิบนัดอีกสองนัดอยู่ตังหากในกระเป๋าเสื้ออีกข้างหนึ่งหล่อนสังเกตเห็นมีรอยเข็มแทงจนวนเจาะลงไปด้วยไปแล้วแต่กระสุนด้านจึงสกิทสแตนลีย์และส่งกระสุนสองนัดไปให้ดู อะไรกันนี่พบที่ไหนในกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายของเขาค่ะแยกต่างหากจากกระสุนที่ยังไม่มีรอยยิงซึ่งจะมัดรวมกันได้ยางทางด้านกระเป๋าขวาเขายิงอะไรไปสองนะัดแต่กระสุนมันด้านไม่น่าจะด้านเลยกระสุนไหม่เอี่ยมแบบนี้และรอยเข็มก็เจาะออกลึกเต็มที่ความจริงเขาน่าจะทิ้งมันไปแล้วมีเหตุผลอะไรที่เขาเก็บมันขึ้นมาอีกเสียงหัวหน้าคณะบนและส่งไปให้คิต ด, ดูส่วนคริสก็ทําหน้าที่ควักต่อไป ได้กลักเก่าๆของตลับยาอมภายในบรรจุยาแก้ปวดแก้ไข้จับสั่นธรรมดาและของจุกจิกที่หล่อนไม่เข้าใจใช้บรรจุสิ่งที่หล่อนไม่เข้าใจอีกหนึ่งดำปู้ปี้กลักติดอยู่บนอกเสื้อด้านในในกระเป๋ากางเกงก็มีผ้าเช็ดหน้าแบบผ้าขนหนูปีดพับเล็กๆซึ่งมีทั้งเครื่องเปิดกระป๋องเรเชนเปิดจุกขวดสกรูรวมเข้าชุดกันอยู่กระเป๋าหนังเก่าๆลักษณะบรรจุทนบัตรจะไม่มีทนบัตรมีแต่เอกสาราพับใส่อยู่สองสามชิ้น รูปถ่ายภาพสีของผู้หญิงคนหนึ่งในลักษณะทายเล่นๆหล่ น, ลนออกมาจากกระเป๋านั้นตกลงบนตักของหล่อนโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นดิสรอบเก็บใส่กระเป๋าเสื้อของหล่อนไว้ทันทีนอกนั้นสมบัติทุกชิ้นที่ปลิ้ออกมาจากตัวระพินหล่อนกองรวมและฝากไว้อยู่ในความดูแลของเกิดกับเสยซองมีดโบวีที่ติดเข็มขัดอยู่ก็ถูกถอดออกไปด้วยรวมทั้งรองเท้าแล้วหล่อนก็สั่งให้พวกลูกหาบที่มานั่งรุมร้อมคอยช่วยเหลืออยู่ใช้ผ้าอบไอน้ําร้อนโปะไว้ที่ปลายเท้า เลยแอนเงยนเชียบราวกับศพของเขาขอวัดบีพีหน่อยจะขัดข้องไหมหมอเบลหันมาถามเชิดบุตรผู้มีอาการเหมือนเจ้าของไข้ยอย่างประชดอะไรก็ได้ขอไว้สองอย่างเท่านั้นหนึ่งให้ยาสองข่มขืนเขาเชิดบุตรตอบพุน่นพุ bitch. ่นสันออฟอวบิชผมแดงสะบดดาเบาๆปลายหางตาตวัดผ่านหน้าเชิดบุตรแลแ้วจัดการตรวจวัดความดันทันทีอึดใจเดียวก็คลายสายรัดออกถอนใจเฮือกเป็นยังไงบ้างคิดถาม หลอนตอบสั้นๆร่างของจอมพรานพุะลูกเพอร้ า, รายซีดเซียวปราศจากสีเลือดเย็นชืดลมหายใจแผ่วจนเกือบจะสังเกตไม่เห็นไม่ได้หน้าท้องที่แบนอยู่แล้วลึกโบลงไปเกือบจะติดกระดูกสันหลังเมื่อแบะ อ, อกเสื้อออกไปรอยฟกช้ดำดําเขียวก็ปรากฏเต็มไปหมดทั้งแผ่นอกแสดงว่าบาดกระทบยังรุนแรงในขณะที่ร่วงหล่นไปเตยทําหน้าที่เป็นผู้อธิบายให้พวกลูกหาบแล้วโบเมียกับกระเลียงตะเคียนทองทั้งหลายได้ทราบว่าไปพบพรานใหญ่ที่ใดในลักษณะไหน ตลอดเวลาของการช่วยกันประถมพยาบาลในขั้นต้นไม่มีทีท่าว่าเขาจะรู้สึกกายขึ้นมาเลยทุกคนรอคอยการกลับคืนมาของบุญคําและฌานยังกระสับกระสายและดูเหมือนจะลืมเรื่องอื่นใดทั้งมวลลงชั่วขณะเดล ย, ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะที่กระซิบถามอาตาชีพจรจากคริสแล้วบอกกับทุกคนว่าให้เวลาอีกห้านาทีเท่านั้นนะทายาของบุญคํายังไม่มาฉันต้องทายาของฉันแล้วถึงแม้จะต้องรักษากันนานหน่อยเราก็ต้องยอมดีกว่าจะเฝ้าดูเขาอยู่เฉยๆจนกระทั่งลมหายใจเสอดสุดท้ายของเขา ที่ประจอนของเขาอ่อนลงทุกขณะทุกคนเงียบกริบต่อมาแสนลียก็ทําลายความเงียบขึ้นวะว่ายัางไงวุฒที่เป็นความเห็นของแพทย์ตกลงดอกตอร์ท่าห้านาทีจากนี้บุญคํำยังไม่มาพวกคุณจะดำเนินการยังไงกับเขาก็สุดจะจะเห็นสมควรเถอะเชิดวุฒตอบแผ่วเบามือกำเขยิ้มนวดอยู่ที่หน้าแข้งแต่ฝ่าเท้าของรพินก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้มากไปกว่านี้เพียงแต่สิ้นเสียงตอบของเชิดวุฒอุดใจเดียวเท่านั้น ก็มีเสียงป่าด้านข้างดังสวบสาบลุกหลนและเสียงกูให้สัญญาณเข้ามาเบาๆทุกคนเลี้ยวขับไปมองทันทีลุงคํากับจันมาแล้วเสียงเกิดร้องลั่นขึ้นอย่างยินดีสองพรานอาวุโสโปลพ้นจากช้างที่นอนกองพันเนินอยู่ตรงเข้ามาทันทีอย่างรีบร้อนในมือหอบเอาใบไม้ลักษณะเขียวเข้มเป็นเงาเ ข, เข้ามาด้วยหอบใหญ่ก่อนจะถึงเสียงบุญคําก็ตะโกนเข้ามาก่อนว่า ยานายละพินเข้าไปแล้วหรือยังนายทหารเชิดวุฒิกระโดดขึ้นยืนทันทีรีบตอบย่างดีใจว่าย่างลุงคายังไม่ได้ให้อะไรเลยพวกเรารออยู่เอาละได้การบุญทํามาแล้วกระหัวร่าเราดแล่นเข้ามาทันทีเกิดและเสยซึ่งดูเหมือนจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าจะต้องทําอะไรก็ลุกขึ้นโดยไม่ต้องบอกระบอกไม่ไผยขนาดใหญ่แทนครกตระเตรียมไว้ก่อนแล้วกลุ่มพลานพื้นเมืองเข้าไปมุ่งทันทีฝ่ายนายจ้างยกเว้นเบลกับคริสที่นั่งเฝ้าระพินอยู่ก็พลูเข้าไปดูอยู่ บุญคำกับจันช่วยกันรูดใบม้อันมีลักษณะเป็นแฉกสีเขียวเข้มมันปราบนั้นยัดลงในกระบอกไม้ไผ่กำมือใหญ่ๆจ้ามจ้ามดาบเดินป่าที่ล้างไว้สะอาดเรียบร้อยโคลงลงไปแทนสระจอยอยู่ยิกๆโดยฝีมือบุญคาไม่กี่อึดใจมันก็แหลกเป็นเมือกสีเขียวจากนั้นเล่าป่าดีกรีสูงก็เทลงไปประมาณ 30- 40ซีซีเป็นส่วนผสมกดคนให้เข้ากัน เทลงจอพลาสติกมีปริมาณน้ําเขียวข้นเข้มราวๆครึ่งแก้วและบุญคําก็นําเข้ามาที่ลรพินเลวแ ม, ม่ช่วยกันง้างปากของนายให้อ้าออกบุญคําจะเอายานี้กรอกเข้าไปไม่ใช่กรอกเสร็จก็ชักตาตั้งไปเลยนะอิซาเบลบอกว่าตาเท่าร้องร่ำว่ะยี่หม อ, อฟาร์ลังมันไม่เก่งเสมอไปหรอกแม่มเบลหนากันกายของพานใหญ่ยังไม่แข็งค้างดังนั้นโดยการง้างด้วยเครื่องมือแพทย์ที่สอดนําเข้าไปก่อนปากของเขาก็อ้าออก บุญคำจบด้วยตัวยาขึ้นเนื้อศีรษะบริกรรมอะไรอยู่หุบมิบแล้วกลั้นใจไม่ค่อยกรอใบสังกรณีตำผสมเหล้าต้มเองผ่านริมฟิปาก์กระพินเข้าไปทันทีครั้งแรกสะดึกแขนขากระดกขึ้นเสียงบุญคำโวยวายสั่งการให้ช่วยกันจับตัวไว้ให้มั่นและให้เบลกับคริสง้างปากไว้จากนั้นแกก็เทเข้าไปอย่างช้าๆมันผ่านลําคอของคนเจ็บผู้ไม่ได้สติเข้าไปจนหมดเอารับประเดี๋ยวหนุมานก็ลุกขึ้นแผงลงฤทธิ์ได้ยาพิเพกมาแล้ว นายกูก็ลูกประพายเหมือนกันจะมามวยเซียนใหตครั้งนี้ก็ให้มันรู้ไปแกพูดพางหัวเราะพังผิดกับนายจ้างและลูกหาบทั้งหลายที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมาตลอดนับตั้งแต่เห็นอาการระพินแตนลี่อิสเบลและคริสเริ่มจับเวลาทันภายหลังจากประคองศีรษะระพินให้เอนลงนอนกับเป้หลังแทนหมอนทุกคนจับตามองดูเขาเป็นตาเดียวเงียบๆบุญคานั้นภายหลังจากกรอกยาเจ้านายเส็จ ก็ผลถอยห่างออกมาอย่างโล่งกดูท่าแกปลอดโปร่งใจขึ้นมากเหมือนการให้ยาของเผามัสใจในแอฟริกาหมอเบลกระซิบกับพิสแทลเบาฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะมีโอกาสลุกขึ้นมาอีกได้ความจริงภายหลังจากกรอกยาอันน่ากลัว น, นี้ลงไปแล้วแต่เท่าบุญคำก็ควรจะโหร้องทำเสียงประหาดประหาดและเต้น ร, บรอบๆตัวของคนเจ็บไปด้วยแตบบ่พวกหมอผีเผามาสัสใจ มีหลายสิ่งที่เราไม่อยากเชื่อและไม่เคยเชื่อมาก่อนในการเดินทางครั้งนี้แต่มันก็ปรากฏผลเป็นจริงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นรอดูปฏิกิริยาคนเจ็บอีกสักพักก่อนลิสตีน่าพูดสุขุมและรอบครอบควากระซิบตอบและบอกให้เบลคอยเฝ้าตัวคนเจ็บไว้หลอนเองลุกขึ้นจุดบุหรี่สูบเป็นตัวแรกเดินตรงเข้าไปหาบุญคำซึ่งกำลังกรอกเล่าลู ก, ลกปลาเข้าปากอยู่บุญคำเราจะรอนาอีกสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลหลอนถามเบาต่ำ คุณคําถอนขวดพลาสติกที่บรรจุเหล้าเถื่อนออกจากปากป้ายแขนเช็ดริมฝีปากไม่นานหรอกแห ม, มฟังเสียงไก่ให้ดีถ้าไก่มันคันเมื่อไรนายก็ฟื้นเมื่อนั้นตั้งแต่ใกล้สว่างมาจนกระทั่งตะวันขึ้นที่ฉันยังไม่ได้ยินเสียงไก่มันคันแม้แต่ครั้งเดียวคุณคําก็ไม่ได้ยินเหมือนกันแถวนี้สงสัยไก่ป่ามันไม่มีแกตอบหน้าตาเฉยแล้วถ้าไก่มันไม่คันล่ะก็ขุดหลุมฝังสิมแมมไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว ถ้ารพินไม่ฟื้นนั้นจะฆ่าบุญคาเป็นคนแรกและเชิดวุฒเป็นคนที่สองในฐานะที่มันห้ามพวกเราไว้ไม่ให้ฉีดยาเขาแต่แรกริสพูดเนิบเนิบแต่น้ําเสียงเครียดจรงิงจังจะเท่าผ่านเจ้าเล่หัวละเอิ๊กเสียงดังพวกนายแหม่มจะฉีดยาให้นายรพินที่โทษจะฉีดเข้าไปได้ยังไงถ้าแกยังไม่ยอมให้ฉีดเข็มปักเข้าไปสักร้อยอันก็ผักทั้งร้ออันนั่นแหละแหม่มอย่ามามม้คิดฆ่าบุญคํากับนายทหารเชิดวุฒให้เสียเวลาเลยไก่ขันแล้ว ว่าแล้วแกก็ป้องปากแทกเสียงไก่ขานขานเอ๊อีเอ๊เอ๊ขึ้นยาวเหยียดพร้อมกับชี้มือไปทางด้านหลังคริให้ผมทองยังยืนแมมริมฟิปะจ้องหน้าแกอยู่เช่นนั้นแต่แล้วก็ต้องหันขวับไปโดยเร็วไม่ได้ยินเสียงร้องออกมายัางงตึงเต้นของอิสาเบลพร้อมทั้งการเคลื่อนไหวกันอย่างพ ร, รือพราวชุนมุนของบรรดาพักพวกทั้งหลาย